ความมืดของวัดตะวันไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศนั้นันมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยแต่ความมืดของวัดตะวนันภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วทั่วไป เป็นความมืด อ, อยู่อย่างนั้นโดยสม่งเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวิญ้าณอากาศนั้นเลยเพราะนั้นมนุษย์สัตว์ที่มาเกิดซึ่งมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพราะอะไรถึงว่ามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบวาจะไปเกิดที่ไหดกลึ้งไปงนั่นแหละเหมือนพุทโธอะไรคำนองนั่แล้วแต่ ก, กรรมจะพาไปทันที กล่าวไว้ว่ากำลังสเตยุพัทธติฤดยังทินัปปณีตังกามเป็นเครื่องจำแนกแจกตัดให้ตอนนิ้หรือเียามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปถู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็าไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกส บ, บายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปจู่ที่อื่นก็เรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่าย กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละหลายละลายจนนับไม่ทั่วเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ซซซซซซําๆตัดขาดในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างดูสถ า, านที่ไใดบ้าง เป็นกําเนิด อ, อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เฉยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนีก่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเสียเล อันนี้มันจําไม่ได้อะเลยทั้งทั้งจิตเราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนําเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกอ่ยเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ป่าชาติต่อป่าชาติของตัวเองนั้นแล้วคนนั่นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับปนแล้วคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ลนมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอปา่าช้าของสารโลกผู้มืดบอดอมีเหรอไม่มีตายดันต้มทับสาดตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเหล่ามันเป็นแบบเดียวกันมาเล่ยความมืดบอดที่ไม่เข้าใ จ, าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจร่วมของตัวเองเลยนี่มันเป็นทํานองเดียวกันนี้มันเป็นโลกเกินองสารแล้วสถ า, านที่ใดจะมาเหยียบปา่าช้าของเขาและของเขาเห ล, หล่นั้น มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงเหตุธรรมที่กั้นสอนไว้แล้วนจึงเรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้อตั้งที่รู้รู้อยู่มันก็จับแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไงรมีความสุขความสบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบควาเหนิดที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้ น, น, นไม่ทาไม่มากกับพอจําได้หบางทีน้อยกับคร่องเส่อพอที่จะพูดได้ว่า อ, อ๋อสว่างมาหน่อยฮอเพราะฉะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แท้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนจึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบ เหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้แล้วที่นี่เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนกันอย่างนี้มาลบล้างความจริงมันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้พ้ามันไม่จริงทามันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความคิงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมขึ้นหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็โดยอำนาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมมาแล้วตั้งแต่บุพเพชาเป็นลำดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายัางมีอยู่ภายในจิต ใ, ใจเป็นุบันดาลให้พบสาสนกรรมอันเป็นประทีป ดวงไปสองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพอจะเดิละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเนแล้วให้หนุนความเจริญยิ่งขึ้นเในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุบุบโปร่งไป ในภพชานั้นนั้นก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนคารุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปทางจึงให้เชื่อกัมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วคัมาก ร, รมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวุทัน แต่ว่ากิริยาที่ทำในอัตตาที่ท่านพ้นไปแล้วนั้นนักขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียดย่ทำทําลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เช่นนั้นแล้วแต่เราเนี่ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเฉลิมคิดอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น ท่านจึงสอนให้มันเป็นความดี น, นี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อิรยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นนและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทําอยู่แบบ น, นี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริง นี่หลกความจริงหีืเราเป็นผู้ชั่วกับเราจริงนั้นอุตสาห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราเพ็นกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชแล่ว่าผู้อนัตถทาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความภาเพียรขันติความอดความทนบึกบุญวุตสาพยายามอยู่เช่นนั้นถืนว่าศีลมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศล ที่ทให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เทว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แทนทะกูกรมไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านวาไว้สี่แยกเป็นสี่แขนงสี่ประเภทตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนั้นตโมโชติปารายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโญทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างเมื่อกุศลเลิกการประพฤ ต, ติว่าขมามืดมามืดไปนั่นก็อนมาเกิดก็จำกัดว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่เรา้งเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไปต่อบุญต่อกุศลเพื่อต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรื่องความมืดมาก็มืดมาอย่างนั้นดูก็มืดดูไปก็มืดไป หาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆ ท, ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทำคำําความตร่วเสียหายไม่ดีได้งามมาจากก่อนเนี้ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็คือว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไป ผูสว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งแต่เริ่มแยกรู้เังสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเลือดมาจงกรทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลยมืดมาอ้สว่างมาสว่างไปเลื่อยนี่แยกได้หลายประเภทนี่แสดงแต่ตังเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่ว่าจะแจงไปทุกกแหนงแสดงตั้ง แต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นํามาพิจารณาคำว่ามืดนั่นมืดเพราะอะไรมืดเพราะที่เด็ดตัญหาอาสะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำวมาสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุ ณ, ณธรรมคุณามความดีมีฐานสินพนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชา ตัดขาดจากวัฏฏคนทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กสิจใ จ, จตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวงั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักษ์ภายใน จ, จิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเหล่านี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสําหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบบปัญหาทั้งหมด จึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภายในจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนักไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของยิเละมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างกันปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลําบากเจ็จต้นในภพชาตานั้นอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการเผ่ฐานมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกทางจิตใจเช่นเดียวกันหน้าตาทั้งหลายท่านจป็นกำเนิดที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยถ้สกลกายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสียผลิตได้มาประพฤติตรงมั่นจั่ การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลช้าธรรมนี่จึงคือว่าเป็นการบำบุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำํำดับลาดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบ ulong ต้องจเจริญขึ้นโดยลำํำดับลาดับอะไรก็ตามเมื่อ้รับการบำบุง o n g กจะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขาดกันมุงเชียสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากหลีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะหลีกไปได้นั้ฐานที่ใด หรือผู้ใดที่จะพอปวดเพื่อมความทุกข์ความลําบากภายในาจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปด่วยก็อยากจะให้ใบพืชมหาผู้ น, นั้นให้ช่วยปวดเพื่องแต่นี้จํตาต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกข้อของคนอื่นมาลาบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีหึืมีตังจะ่บุบายช่วยสอนนำไปกันนั่น น, น, นี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความเคยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ไลสมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยหลีกพันอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็ามากบางทีก็น้อยอย่างไรก็าตามก็ไม่พ้นจาก ภาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทัวงจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียบร้องของใจและพยายามแก้ไขพระโดยลหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้ น, นเรื่อยๆ ปรากฏผลหรือเป็นความสุขความสบายเป็นด้วยนี่สมขว่าใจมีเจ้าของเมื่ออยากร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเึ้นเดียวกับใส่วิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีทุนักเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีมวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของอนี่จิตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราเซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแบบแปลง ถ้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่า น, นั้นกับความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณงามความดีอือย่างไรเราก็จะต้องในพึ่งเราอยู่โดยดีอตตาหิตโนนาผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อเขาเป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปวดเพื่อไม่อาจสามารถที่จะช่วยเรา่า้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแทๆ้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเห่าเนี่ยเราก็เป็นเหมือนท่านเพราะท่านจึงว่าอัตตาหิตโนนัโถจงต้องรีบพยายามช่วยตัวเองเนยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนหท่างตัวงยกดูตั้งแต่บัดนี้เปยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลําบากลําบนากับความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับอึ่งเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉลาดสามารถเป็นแค่ไหนที่จะหลบปีกตีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังนันเข้ามารอบตัวเนี่เอไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ฟืน แ, แต่ไฟเราจะมีอุบายวิธี อย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหม้นี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเทียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตหิคโนราโถพยายามช่วยตัวเองแบบนี้จึงกระทั่งเป็นพี่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี้ตกไปหมดเลยน่ะนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทั้ง จิตตภาวนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะทาระอันนี้หนักมากข้าศึกอันนี้หนักมากขึ่งกว่าข้าศึกใดข้าศึกในทาาในขันนี่ถึงวาระจะไปจริงจริงโอ้ยขายเยาให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟกระําตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยก ส่วนบางส่วนออกได้ยังชัดเจนประจกักษ์ภายในใจผู้นั้นแหะคือว่าอัตถิอิตโนนาโผได้เติมผูไม่เดือดร้อนเอยกไม่ไหวอะไรเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีนานอันไหนที่ยกไหวแล้วอ่าวจิตน่ะยกด้วยสติปัญญาไหวหผ่านน่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุฐานมันหนักพา ร, ราเฮเวปัญจักขันธะพาระ พ, ระ พ, ระพระาราฮาโลจะปุกคโลพาราอัน ขันธานั้นเป็นภาระอันหนักนะนพี่น้าโดยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงคขาจะปล่อยปลอยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นแต่เจ้าของเถื่เอเพาะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความติดการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยการสภาพเหมือนความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบลื่นของจักที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เดียวหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เขาม่ายช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บมัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไห น, นอาศัยอุบายอุบายการมาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือ แล้วดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับคนทําไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจซึ่งนอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือติซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบากับเทืองกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นข้าสึกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเหรืม แต่กระทบกระเพือนกันหึือับถมกันให้แหลกประหยกไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจนารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหิจนโนนาโถไม่ผิดเนี่ยธรรมบทนี้มีความจําเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเท่าไหร่อัตตาหิจนโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังยงนั้นแสดงว่าจะก่อความเดื อ, รอดร้อนให้แก่เราม า, ากมาเราไม่หวังทั้งหมดหาทุพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อเขาให้นั่งอยู่สมาลเดิมของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่ง น, นั้นๆในขณะนั้ น, น, น, น, นจับแต่กังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดกับจารักอัติตอัตายุตนนนาถโถ ตนกำลังจะยกตนแต่ถ้านคนอื่นมายกรับคว้าจากคนอื่นนี่ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นน่ะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วขดจมดังนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจําเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวันไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั้นเที่ยวเราเร า, เราจะไป ฝวางเรือปล่อยให้มันหลายไป อ, อันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงโยน อ, อัตติทินโนนาโถนผู้ยังไม่เข้าใจธรรมอัตติทินโนนาโถนกรุณาพิจารณาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปโดยลำดับ ส่วนขันตะขั้นต่ำทำทั่ทั่วๆไปนั้นอธิยกระโนนาทโถตอนมีที่พึ่นของตนนั้นแม้แต่คนใายถ้าไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะนะไปอยู่อาศัยกับใครกอดตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนข ย, ยันหมั่นเพียรนะ น, น, นี่ถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วย เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแต่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลย ไ, ไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่นี่จนกระทั่งธรรมภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจะฟังจะอธิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับอว่าจากครูจากอาจารย์จากธําในบทต่างๆหรือสูตต่างๆคัำพร์ต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเล่าตนเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือ พึ่งตัวเดงได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตัวเดงนได้ด้วยสติปัญญารูดท้อนเป็นระดับด้วยการพึ่งตนเองหนักใหญ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสร้างความสว่างสร้างขึ้นคื่ใจเพราความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้คิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปหาจิต จิตหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอ้าวจจะมืดมาขอให้สว่างไปหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขะกุขอให้ทุกทุกนําบนำปฏนะิญญาการแสดงธรรมขอเห็นทุกข์จึงขอหยุดติเพียงทนี้